ความเหงายอมไม่เกิดขึ้นกับผู้มีสติเจริญแล้วถ้าอยู่คนเดียวแล้วเย็นคนเราจะอยากอยู่คนเดียวแต่นี่อยู่คนเดียวแล้วหนาวคนเราเลยอยากได้คู่ที่อบอุ่นถ้าอยู่คนเดียวแล้วอุ่นใจคนเราจะอยากอยู่คนเดียว แต่นี่อยู่คนเดียวเราร้อนใจคนเราเลยอยากได้คู่มาดับร้อนเมื่อหาคู่ไม่ได้หรือหาได้แต่ยิ่งรู้สึกหนาวตัวอีกทีหาได้กลับยิ่งรู้สึกร้อนใจก็เท่ากับยิ่งตอบย้ำซ้ำเติมตนว่าเราคงไม่มีคู่จริงๆและเฝ้ามองคนที่มีคู่ว่าโชคดีจัง หรือกระทั่งนาอิจฉาเละเกินเมื่อเทียบเขาเทียบเราเห็นตนเองโชคร้ายเห็นตนเองอับวาสนาจึงมีการตราหน้าตนเองว่าอาภัพรักคือเป็นผู้ปราศจากโชคทางความรักทางออกของคนโชคไม่ดีคือพยายามเห็นว่าตนเองโชคดีอย่างไรหรือไม่ก็มองว่า คนอื่นโชคร้ายท่าไหนเพื่อให้เกิดการเทียบเขาเทียบเราที่ได้ดุลบ้างหลักๆที่เป็นคำปลอบใจสำเร็จรูป ก, ก็มักออกทํานองหาข้อดีของการอยู่เป็นโสดหาข้อดีของการเป็นอิสระไม่ต้องมีพันธะกับใครหรือหาหลักฐานว่าไม่มีใครครองคู่ได้สำเร็จให้ดูดีน่าอิจฉาแค่ไหน ก็เลิกกันทั้งนั้นคู่ที่ยิ่งดังมากยิ่งดับอนาถมากคู่ที่อวดความสุขทางเฟซมากยิ่งต้องปกปิดความทุกข์ทางใจมากแต่ไม่ว่าจะประกาศคำพูดสวยหรูปลอบตัวเองกี่ครั้งหรือดูดีมีเหตุมีผลเป็นกำลังใจได้กี่ร้อยกี่พันคำในที่สุดก็แพ้ความรู้สึกเดียว คำเดียวหนึ่งเดียวคือเหงาหากยังมีคำนี้คำเดียวฝังหัวฝังตัวครอบงำเป็นเงาตามไปทุกที่ในที่สุดจะจบลงด้วยอาการรอและไม่เคยพอกับการมีตัวคนเดียวอย่างแท้จริง หลายคนมาถึงคำตอบที่ถูกของชีวิตโสดนั่นคือความเหงาย่อมไม่มีแก่ผู้เจริญสตินั่นเพราะผู้เจริญสติคือผู้ที่เห็นการปรุงแต่งทางใจอยู่ไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบดีๆไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบร้รายก็เห็นเป็นภาวะชั่วคราวและสนุกมากขึ้นเรื่อยๆกับการเห็นสภาพผ่านมา แล้วผ่านไปทางอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่ความเหงาก็ดวนจับได้ไล่ทันไม่เห็นอะไรมากกว่าสภาวะกดดันครู่หนึ่งลมหายใจนี้กดดันมากอีกลมหายใจกดดันน้อยอีกลมหายใจโปรง่โรงโล่งเป็นอิสระจากการครอบใดๆยิ่งเห็นเหงายิ่งหายเหงายิ่งหายเหงา ยิ่งเห็นความไร้สาระของการเทียบเขาเทียบเรารู้แก่ใจว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ถ้าไม่เหงาก็สุขได้แต่ถ้ายัางเหงาก็ทุกได้ใครจะมองเข้ามายัางไงใครจะว่ายังไงก็ไม่มีทางตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของเราได้ การเจริญสติระหว่างรอรักจะช่วยให้พ้นทุกเฉพาะการตั้งแต่นาทีที่ดูได้ดูเป็นดูแลเห็นว่าอารมณ์เหงาไม่ใช่ตนและยิงไม่ใช่เจ้านายที่เราต้องรับใช้ไปตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องกัดฟันมีคู่ที่ไม่รู้สึกว่าใช่แต่อย่างใดเลย แต่ตาลอยรอคนรักในฝันจะไม่เหลือเวลาทำตัวให้เป็นคนรักในฝันของใครได้สำหรับคนอยากได้ความรักช่วงแย่ที่สุดในชีวิตคือช่วงรอคอยความรักแต่ช่วงดีที่สุดคือช่วงได้พบความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอย สำหรับคนอยากคืนความรักช่วงแย่ที่สุดในชีวิตคือช่วงรอคอยอิสรภาพแต่ช่วงดีที่สุดคือพบว่าวันได้รับอิสรภาพมีจริงถ้าอยากได้ความรักแต่ไม่อยากทำตัวเป็นที่รักในที่สุดจะต้องเป็นทุกข์กับการรอคอยทั้งรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตน และรอคอยอิสรภาพาภายนอกโดยไม่เคยได้รับอิสรภาพาภายในอย่างแท้จริงเดี๋ยวก็วนกลับไปรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนอีกต่อเมื่อทำตัวเป็นที่รักเป็นคนน่าให้รักน่าให้อยู่ด้วยการรอคอยจะน้อยลงหรือไม่เหลือเลยเราะแม้ไม่มีความรักเข้ามา ก็พร้อมเสมอที่จะเจือจานพร้อมเสมอที่จะแผ่เมตตากรุณาออกไปและถึงแม้ต้องทนอยู่กับใครก็มีสิทธิละลายพฤติกรรมหน้าอึดอัดของเขาได้คนที่รู้จักทาตัวเป็นที่รักจึงเป็นพวกอยู่กับความรักที่มีตัวตน ส่วนคนที่เอาแต่ยากได้ความรักก็ต้องเป็นพวกรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนกันต่อไปรักที่ทำให้ตาบอดคือรักที่ยอมให้บากเก่าบาังตารักที่ช่วยให้ตาสว่างคือรักจะเลือกบุญใหม่เป็นกำลังใจ ทุกคนเคยก่อบาปร่วมกับคนอื่นมาทั้งนั้นในทางพุทธชี้ว่าพวกเราล้วนชุ่มบาปกันมาตแต่ก่อนเกิดโดยที่ไม่อาจลบล้างกันได้ด้วยพิธีกรรมใดๆร่วมกันก่อบาปกับคนอื่นมีอะไรได้บ้างร่วมกันทำร้ายสิ่งมีชีวิตก็ใช่ร่วมกันช่อโกงประชาชนก็ใช่ร่วมกันผิดผัวผิดเมียก็ใช่ ร่วมกันโกหกด่าทอใส่ใครก็ใช่ร่วมกันกินเหล้าจนเมาปลิ้นก็ใช่สังเกตเอาจากชาตินี้เถอะแรกแรกบาปจะทำให้ผูกพันกันเหนียวแน่นเหมือนคนกอดคอกันเข้าทําย่อมอุ่นใจเมื่อมีกันและกันในที่มืดแต่พอนานไปบาปนั้น จะค่อยๆสร้างความเกลียดชังขึ้นมาเหมือนต่างฝ่ายต่างโมโหกันและกันที่ไม่ช่วยให้ตาสว่างเห็นอะไรดีๆสักทีมีแต่จะกอดคอกันอึดอัดในความมืดท่าเดียวที่ชอบพูดกันว่าคนทำบาปด้วยกันยังได้ดีมีสุขอยู่ด้วยกันให้เห็นอันนั้นคือยังเห็นไม่นานพอหรือไม่รู้ว่า สถานการณ์จริงๆคลี่คลายไปถึงไหนแล้วเพราะธรรมชาติของบาปเมื่อลผลผลย่อมดลใจให้คิดร้ายรุ่งร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเสมอบาปที่ถึงเวลาลผลผลไม่เคยปล่อยให้ใครใจคอเยือกเย็นอยู่ด้วยกันได้เลยยิ่งรวมกันก่อ บ, บาปยืดยาวขึ้นเท่าไหร่ยิ่งสร้างทางลำบากในอนาคตยาวขึ้นเท่านั้น เกิดใหม่ลืมหมดแล้วว่าเคยร่วมก่อบาปอะไรไว้บาปเก่าจะสร้างแรงดึงดูดชนิดยากจะห้ามใจอาศัยราคะเป็นสื่ออยากพบอยากใกล้อยากอยู่ด้วยบางทีคนทั้งโลกเห็นเห็นอยู่แต่แรกว่าไม่ดีไม่งามแต่ดันมีตัวเองคนเดียวที่ไม่เห็นเช่นจะอยู่ด้วยกัน ต้องได้ชื่อว่าชู้หรือยอมอยู่กับเขามีแต่โดนปอกลอกหรืออีกฝ่ายมีใจเดียวแต่ก็เด็ดเดียวที่จะขี้เกียจทำงานทำการลากกันถูลู่ถู ก, กังตกต่ำดำดิ่งไม่มีใครจุดใครได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงความรักที่ดีงามไว้ว่า เป็นความรักที่เกิดจากการเคยอยู่ร่วมกันดีๆและมามีการเกื้อกูลกันในทางดีอีกเกื้อกูลในทางดีคืออย่างไรพูดให้สติช่วยให้คิดดีได้ก็เรียกว่าดีร่วมกันสงเคราะห์ชีวิตอื่นก็เรียกว่าดีส่งเสริมกันรักษาศีลก็เรียกว่าดี เป็นกำลังใจให้มุมาณนะที่ตัวขึ้นสูงก็เรียกว่าดีจะเจอความรักดีๆได้ต้องมีดีบางอย่างในตัวเองเป็นทุนเป็นตัวตั้งเมื่อพบเจอคนขยุรวร่วมกันดีๆจะได้พร้อมเลือกทำตัวดีๆเกื้อกูลกันต่อแต่ถ้าจังหวะไหนของชีวิตไม่มีดีไวรอท่าคบหาใคร ก็มักไหลไปตามอารมณ์หลงโอกาสเสี่ยงจะเจอความรักที่ทำให้ตาบอดก็สูงมากถึงสูงที่สุด